เดี๋ยวนี้สวนสัตว์ในหลายประเทศนะเขาพยายามทำให้คนที่มาชมสวนสัตว์เนี่ยได้ใกล้ชิดนะกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ผู้คนตั้งใจจะมาเยี่ยมชมวิธีนี้คือให้คนได้เห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยผ่านกระจกนะ อันนี้ไม่ใช่เฉพาะอควาเรียมนะหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะแต่ว่ า, าสวนสัตว์ที่เข า, าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกเด น, นมนะเช่นเสือแรดหรือว่าลิงกอริลล่าเนี่ยชิมแปนซีเนี่ยเขาก็ให้นะคนเนี่ยมาชมได้นะผ่านห้องกระจกนะแทนที่จะ มองผ่านซี่กลรงซึ่งบางทีก็อันตรายนะเพราะว่าคนก็อาจจะยื่นมือนะไปหาสัตว์สัตว์ตกใจก็อาจจะกัดหรือว่าบางทีไปยื่นของที่มันเป็นโทษนะต่อสัตว์นะเนะช่นพลาสติกเนี่ยแต่ก่อนก็ให้ดูสัตว์นะผ่านที่สูงนะแต่ว่า บางทีคนก็พัดตกลงไปและที่พัดตกลงไปเนี่ยก็จะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะเขาก็เลยแก้ปัญหานี้นะให้มาดูสัตว์เนี่ยผ่านกระจกดีกว่าเขาก็จัดเป็นห้องกระจกนะแล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ก็มาดูสังเกตศึกษาชีวิตของสัตว์ในระดับเดียวกันกับสัตว์เหล่านั้น ไม่ได้อยู่บนที่สูงนะก็ทำให้คนเนี่ยได้เห็นสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นมีพ่อแม่นะคู่หนึ่ง้วก็เอาลูกเนี่ยลูกก็ประมาณสักอายุขวบสองขวบนะมาเที่ยวสวนสัตว์นะแล้วก็มีคราวหนึ่งก็พาเด็กนะไปดูเสือลายนะ ผ่านกระจกเด็กเนี่ยเห็นพอเห็นเสือลายนะนัเสือดาวพอเห็นเสือดาวนะก็ดีใจใหญ่เลยร้องด้วยความดีใจนะแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมือนกันเรียกให้เสือเนี่ยก็มาใกล้ๆเสือเนี่ ย, ม, ย, ยมันเห็นเด็กนะมันก็เดินเข้ามานะมาใกล้ๆเหมือนกับได้ยินเสียงร้องเสียงเรียกของเด็ก แต่คงจะเห็นมือไม้ของเด็กนะเรียกเชิญชวนเข้ามาเสดาก็มาดูอยู่ใกล้ๆนะเด็กก็ดีใจอย่างยิ่งพูดยิ่งคุยกับเสดานะเสดานี่ปกติมันก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะแต่พอมันเจอเด็กคนนี้ดูอากับกิริยานี่มันอ่อนโยนลงไปเลยนะแววตาก็นุ่มนวลมองเด็กคนนี้นะ ด้วยความสนใจนะแล้วก็อาจจะมีความเอ็นดูด้วยเสือดาวนี่ก็ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเด็กก็เรียบเสื้อดาวคุยกับเสื้อดาวนะเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิท ก, กันนะก็อยู่กันอยู่ต้องมองกันอยู่นานเลยนะเหมือนกับว่ามีความสุขที่ได้เห็นกันนะแล้วกับกริยาของเสือดาวนี่ก็น่าทึ่งนะ เพราะว่าไอความรู้สึกเหมือนกับว่าเอนดูเด็กเนี่ยหรือว่าความรู้สึกอ่อนโยนเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะอีกด้านหนึ่งของเสดานะว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เลยแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้สวนสัตว์เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ทำคล้ายๆกันก็คือว่าให้สังเกตศึกษาสัตว์ผ่านกระจกนะ คราวนี้เนี่ยไม่ใช่เสือดาวนะแต่ว่าเป็นกอริลลากอริลลาแม่ลูกอ่อนแม่เนี่ยก็เป็นแม่ลูกอ่อนเหมือนกันนะคนนะเป็นแม่ลูกอ่อนนะเด็กก็ยังแ บ, บอกเบาอยู่เลยเด็กก็หลับนะอยู่ในตักอยู่บนตักของแม่ส่วนแม่นี่ก็ยืนอันนั่งอยู่ใกล้ชิ ก, กระจกกอริลลาตัวนี้เนี่ย พอมันเห็นเด็กนะเด็กแบบ่อเนี่ยบนตักนะของมนุษย์เนี่ยมันก็สนใจนะเดินเข้ามาชิดเลยนะใกล้ชิดยิ่งกว่าเสือดาวตัวเมื่อกี้เนี่ยนะกอร์ดตัวนี้เข้ามานะจ้องมองเด็กทารกคนเนี้ยอย่างสนใจนะแล้วก็ยื่นมือนะพยายามที่จะไปจับเด็กนะแต่ว่าก็ มันมีกระจกกั้นอยู่ความสนใจเนี่ยของกอริลลาเนี่ยอยู่ที่ตัวเด็กคนเนี่ยนานทีเดียวนะแล้วก็อากับกิริยาเนี่ยมันเป็นอากับกิริยาของเหมือนกับคนนะที่มีความเอ็นดูนะอยากจะกอดอยากจะสัมผัสนะเด็กคนนี้แล้วก็มีการส่งเสียงด้วยนะ เหมือนกับพยายามพูดคุยมันเป็นความมันเป็นอาการของความรู้สึกนะแนบแน่นผูกพันระหว่างสัตว์นะกับคนตัวกอริลลานี่ไมไ่สนใจแม่เลยนะแต่ว่าสนใจเด็กทารกแล้วก็ตอนหลังเนี่ยลูกของกอริลลาตัวนี้ก็มาหาแม่ไอ้กอริลลาตัวนี้ก็ จับลูกเนี่ยให้มาดูเด็กทารกนะเรียกว่ากอริลลาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะมีความสนใจนะในตัวเด็กมากเลยมันเป็นความเอนดูมันเป็นความรู้สึกผูกพันนะ <Yeah. S 1> ที่ทำให้เราเห็นถึงความอ่อนโยนนะของสัตว์ซึ่งแม้จะตัวใหญ่นะแล้วก็ดูน่ากลัวน่ากเกรงขามนะ แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอาการของสัตว์ที่มีความอ่อนไหวความอ่อนโยนะความนุ่มนวลมากมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยนะเขามีความรู้สึกอ่อนไหวและอ่อนโยนเนี่ยกับกับคนที่เป็นเด็กที่เป็นทารกและจริงจริงเด็กและทารกก็เหมือนกันนะ ก็มีความสึกผูกพันกับสัตว์มากนะอันนี้เราอาจจะเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยนะก็จะผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะไม่อาจะเป็นแมวไม่อาจะเป็นหมานะก็จะพูดคุยอะไรด้วยนะเป็นก็ว่าสื่อสารกันได้แล้วเราก็จะพบว่าหมาหรือแมวในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความสึกผูกพันนะกับคนตัวเล็กๆนะหรือว่าเด็กเหล่านี้มันมันก็เป็นสัญชตาตญาณนะที่มีอยู่ในมนุษย์ แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็คือมีความอ่อนโยนนะต่อสัตว์ตัวเล็กๆนะคนเราเนี่ยพอเจอลูกสัตว์นะจะเป็นลูกหมาลูกแมวลูกเสือลูกสิงโตลูกช้างเนี่ยเราจะรู้สึกนะว่าจิตใจเราเนี่ยอ่อนโยนลงทันทีเลยนะอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะเข้าไปสัมผัสอยากจะเข้าไปเล่นนะซึ่งในแง่นหนึ่งเนี่ยตัด ตัวเล็กๆเหล่านี้นะมันก็ช่วยเยียวยาจิตใจของคนเราได้ผู้ยาเนื้อเคื่อมันไปกระตุ้นความรู้สึกดีๆขึ้นมามาไปกระตุ้นเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจของเราเช่นเดียวกับเด็กตัวเล็กๆก็สามารถจะกระตุ้นเมตตากรุณาในใจของสัตว์เหล่านั้นได้เหมือนกันแม้จะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแม้จะเป็นสัตว์ทีอ่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับคนแต่ว่า มันมีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยอยู่ทั้งในสัตว์และในคนเนี่ยคือความเมตตากรุณาความรู้สึกดีแล้วคนเราเนี่ยก็เวลาเจอเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเดียวกันนะมันมีความสึกดีความรู้สึกอ่อนโยนเกิดขึ้นซึ่งในแง่หนมันก็กระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะทำความดีมีคนเขาทดลองนะเอากระเป๋าเงินเนี่ยนะแกล้งทิ้งไว้ ตามที่สาธารณะรวมทั้งในถังขยะด้วยหรือว่าตามทางเดินใกล้สถานีรถไฟใกล้สถานีรถแล้วเขาก็ดูว่าเนี่ยคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้เนี่ยจะคืนหมแล้วในกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยเ้าก็จะใส่รูปต่างๆไม่เหมือนกันเช่นใส่รูปเด็กตัวเล็กๆเด็กทารก บ, บ้างหรือว่าสอดรูปครอบครัวพ่อแม่ลูกที่อบอุ่น หรือว่าสอดรูปสุนักแมวนะในกระเป๋าแล้วก็ดูว่ากระเป๋าชนิดใดนะที่ได้รับการคืนปรากฏว่าเราเดาออกไหกระเป๋าที่มีคนคืนมากที่สุดเนี่ยคือกระเป๋าที่ใส่รูปอะไรใส่รูปเด็กเล็กๆนะภาพเด็กทารรหน่ารักนะ 88% เลย น, นะหรือเกือบ 90% เนี่ยคนที่เก็บได้จะส่งคืนเจ้าของ ส่วนภาพหมาแมวเนี่ยคนคืนเนี่ยก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซนะของที่เก็บได้แต่ภาพคนที่ครอบครัวอบอุ่นก็น้อยหน่อยนะสี่สิกเปอร์เซนอันนี้มันบอกอะไรเรานะนะมันก็แสดงว่าเนี่ยคนเนี่ยเวลาเจอภาพเจอกระเป๋าแล้วเห็นภาพเด็กทารกเนี่ยความสึก ด, ดีๆมันเกิดขึ้นเลย มันปลุกเมตตากรุณาขึ้นมาในใจแล้วพอเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึก ด, ดีอย่างเดียวนะมันเกิดความอยากจะทําดีด้วยมันนึกถึงเจ้าของกระเป๋าก็อยากจะส่งคืนทน้งที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะส่งกระเป๋าคืนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลานะไปไปสนีทแล้เสียเงินนะส่งคืนเจ้าของแต่ละ คนที่ได้กระเป๋าที่มีรูปเด็กทารรหน่ารักเนี่ยก็มีความอยากจะทำอย่างนั้นแต่มากกว่าคนที่ได้กระเป๋าที่มีภาพน้องหมาน้องแมวด้วยซ้ำนะในแง่นึงก็ช่อเห็นว่าเนี่ยเด็กทารกเนี่ยนะเขามีผลต่อจิตใจของผู้คนและในแง่นึงก็แสดงว่าคนเราเนี่ยก็มีความายดีในใจนะอยู่ที่ว่าความายดีนะั้นมันจะถูกกระตุ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าความฝ่ายดีถูกกระตุ้นนะมันก็ทำให้สามารถจะเอาชนะความเห็นแก่ตัวยอมเสียเวลายอมเสียเงินส่งกระเป๋าคืนเจ้าของนะและความฝ่ายดีมันจะถูกกระตุ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้เห็นภาพทารกนะเด็กน่ารักคนเราเนี่ยก็มีทั้งความฝ่ายดีนะละความเห็นแก่ตัวนะจะเรียกว่ามีทั้งความรู้สึกดี และความรู้สึกลบก็ได้ความายดีเนี่ยนะมันมีในทุกคนนะถ้าากว่าได้เจออะไรที่มากระตุ้นความายดีมันก็ทาให้อยากจะทําความดีไม่ใช่แค่ภาพเด็กทาลกนะที่น่ารักอาจจะเห็นคนทําดีก็ได้พอเห็นใครทําดีเห็นคนช่วยน้ำท่วมเนี่ยโอ้ความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นเลยและทําให้อยากจะ ทำความดีไปช่วยคนที่น้ําท่วมบ้างหรือทําความดีอย่างอื่นบ้างนะถึงแม้ว่ามันจะทําให้ต้องเสียเงินทําให้ต้องเสียเวลานะหรือว่ามีคนเนี่ยพูดดีกับเรานะแสดงความมีน้ําใจกับเราเราก็เกิดความรู้สึกอยากจะทําดีกับคนนั้นหรือกับคนอื่นเป็นการตอบแทนอันนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนที่เห็นแก่ตัวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยวเวลาจะทําอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่เป็นเพราะว่าความฝ่ายดีหรือความเหงแก่ตัวอันไหนที่มันมีอํานาจเหนือจิตใจของเขาในเวลานั้นมากกว่ากันคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าไปกระตุ้นความไฟไม่ดีของเขาหรือความเหงแก่ตัวเขาก็อาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เก่งเมลัยเกเรแต่ถ้าเขามีอะไรมากระตุ้นความไฟดีจนกระทั่ง เอาชนะความเป็นแกนตัวได้เขาก็อาจจะทำทำดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยคนดีคนไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองเป็นการมองที่หยาบอยู่นะต้องมองว่าเนี่ยในในเวลานั้นเนี่ยเขามีความฝ่ายดีหรือความเป็นแกนตัวมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เราจะช่วยคนต่างๆได้คือกระตุ้นความไยดีในใจเขาเพื่อทําให้เขาอยากจะทําความดีอยากช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและทําให้เขามีความสุขไดง่ายขึ้นมีความทุกข์ได้น้อยลง